ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคมภีชนาลังการดีกาแปลพระพุทธรักขิตาจารย์ชาวศิรังการตจนาปนนาคุระบุตรผู้เป็นโยคาวจรพระพุทธรักขิตาจารย์ครั้งแสดงความนอบน้อมที่สามารถป้องกันอันตรายทั้งปวงอันเป็นเหตุแห่งการให้สัมปทาทั้งปวง แต่พระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าด้วยคาถาเหล่านี้อย่างนี้แล้วบัดนี้เปรียบเหมือนนายขุนคลังผู้ฉลาดเก็บเครื่องประดับของพระเจ้าจากักรพรรดิใส่ไว้ในพระอบแก้วแล้วมอบให้แก่ปรินายกแก้วโดวยกราบทูลว่าขอพระองค์โปรดรักษาพระอบแก้วนั้นไว้อย่างนี้ปรินายกแก้วนั้นรับพระอบแก้วนั้นแล้วรักษาไว้เมื่อพระบิดาสวรรคตรก็ได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิ ทรงประดับเครื่องประดับนั้นเป็นผู้ครองโลกฉันใดก็เป็นดุดขุนคลังเก็บเครื่องประดับคือพระพุทธคุณของพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าผู้ทรงเป็นใหญ่ในโลกทั้งปวงผู้ทรงชนะหาที่สุดมิได้แล้วใส่ไว้ในพระอบกลิ่นหอมคือคำภีชินาลังการแล้วมอบให้โยคาวจรกุลบุตรผู้เป็นเช่นกับปรินายกแก้ว ก็เพราะโยคาวจรกุลบุตรนั้นรับผอบกลิ่นหอมโดยเคารพด้วยศีสะรักษาไว้โดยการประกอบภาวนาหนึ่งเนืองปฏิบัติตามที่สั่งสอนถึงพุทธภูมิโดยลำดับเป็นผู้ชนะหาที่สุดมิได้ประดับเครื่องประดับคือคุณนั้นแล้วกระทำโลกทั้งสิ้นให้มีแสงสว่างเป็นหนึ่งเดียวกันรุ่งเรืองเป็นใหญ่ในโลกฉะนั้นพระพุทธรักษตาจารย์ เมื่อจะพันนานาโยคาวจรกุลบุตรผู้รับเอาซึ่งชีนาลังการะที่ตนจะพึงกล่าวก่อนอะไรทั้งหมดจึงกล่าวว่ากุลบุตรผู้ประพฤต์เอื้อเฟื้อใดเกิดแล้วในขณะที่ก้าเป็นผู้ทรงสุตตะเป็นผู้มีอินทรียบริสุทธิ์ด้วยศีลเห็นสังสาระโดยความเป็นภัยเห็นพระนิพพานที่กระทำความสิน้นภพอันเป็นที่ปลอดภัยโดยความเกษณ บูชาอยู่โดยชอบซึ่งพระมุนีผู้สแสวงหาหนทางที่นำผู้ปฏิบัติไปถึงพระนิพพานนั้นตามเหตุที่แสดงหนทางไว้นั้นพึงยังพระนิพพานอันเป็นที่ปลอดภัยนั้นให้สำเร็จตามลำดับแห่งการเจริญพุทธทานุสติเป็นต้นในคาถานั้นมีอธิบายดังต่อไป น, นี้สองคำว่าชาโตโยกลุตรบทผู้ประพฤติเอื้อเฟื้อใดเกิดแล้ว ความว่ากุลบุตรผู้ประพฤติเ อ, อื้อเฟือคนใดคือผู้เช่นใดเป็นผู้มีศรัทธาและเป็นสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วในประเทศที่สมควรในมนุษยสยาโลกคําว่านาวเมคเนในขณะที่เกเชื่อมความว่ากุลบุตรคนใดเกิดแล้วในขณะที่9้าอันเว้นจากขณะแปดขณะคือในขณะแห่งการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าคําว่าสุตตะธโร เป็นผู้ทรงสุตะความว่ากุลบุตรฟังพระธรรมวินัยแล้วทรงจำพระธรรมวินัยที่ตนฟังแล้วด้วยใจสมดังที่พระธรรมเสนาบดีสารีบุตรกล่าวไว้ว่าภิกษุเป็นผู้ทรงธรรมด้วยเหตุเท่าไรคือเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมทั้งหลายที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท่ามกลางมีความงามในที่สุดพร้อมทั้งอัฏะพร้อมทั้งพยัญชนะมรีบูนครบถ้วน แสดงพรหมจรรย์อันบริสุทธิ์แล้วทรงจำสาธยายได้คล่องปากเพ่งขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฐิเพียกตู่เป็นผู้ทรงธทรรมด้วยเหตุเท่านี้ด้วยคำว่าสุตตะทโรนี้ทรงด้วยคำว่าสุตตะทโรนี้ท่านแสดงถึงกระยาณปุถุชนสมดังที่พระพุทธโคสาจารย์กล่าวไว้ว่าพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธ์แห่งพระอาทิตย์ ได้ทรงแสดงปุตุชนไว้สองประเภทคืออันทะปุตุชนประเภทหนึ่งกาญยาณปุตุชนประเภทหนึ่งในปุตุชนสองประเภทนั้นปุตุชนใดไม่มีโยนิโสมนสิการในการเรียนในการสอบถามในธรรมทั้งหลายอันต่างโดยขันยตนะธาตินีสัจจะและปฏิจจะสมุบาเป็นต้นปุตุชนนั้นชื่อว่าอันทะปุตุชน ปุตุชนใดมีเหตุที่กล่าวนั้นปุตุชนนั้นชื่อว่ากัลยาณปุตุชนพุทธานุสติกรรฐานพระพุทธเจ้าตรัสไว้สำหรับพระอริยบุคคลทั้งหลายก็จริงแต่เนื่องจากปัจจุบันนี้ไม่มีพระอริยบุคคลทั้งหลายให้ปรากฏให้เห็นจึงรวมถึงกัลยาณปุตุชนด้วยเหตุการณ์ในเรื่องนั้นจกมีแจ้งในตอนต่อไปก็อาจจะมีได้แต่ว่า ท่านไม่แสดงตัวไม่มีใครพยากรณ์เพราะฉะนั้นก็เลยไม่ปรากฏนะบุคคลที่อบรมอริยามรรคมึงแปดก็สามารถที่จะถึงความเป็นพระอริยบุคคลได้ทั้งนั้นคําว่าสีเลนะสุทินดริโยเป็นผู้มีอินทรีย์บริสุทธิ์ด้วยศีลมีอธิบายว่าเป็นผู้มีอินทรีย์หกมีตาเป็นต้นที่กระทําการลอยบาปแล้วด้วยปาริสุทธิ์ที่ศีลสี่ หรือเป็นผู้มีอินทรีห้ามีตัจจินทรีเป็นต้นในเรื่องนั้นปาริสุทธิศีลสี่คือศีลสีสส่อย่างได้แก่หนึ่งปาติโมคขาสังวรศีลสองอินดริยะสังวรศีลสาอาชีวปาริสุทธิศีลสปัจจยสันนินนสิตศีลในศีลสี่อย่างนั้นปาติโมคขสังวรศีลคือกุศลธรรมทั้งหลายมีเจตนาเป็นต้น ที่เกิดขึ้นแก่พิษุผู้ไม่ล่วงละเมิดอาบัติเจ็ดกองมีอาบัติปา ร, ราชิตเป็นต้นที่จัดอยู่ในพระวินัยปิดกปาติโมคะสังวรศีล น, นั้นชื่อว่าศีลเพราะมีลักษณะควบคุมชื่อว่าปาติโมคะสังวรศีนพระรักษาผู้ที่รักษาศาีนนั้นบาปธรรมทั้งหลายที่ถึงความเผยออกในกายทิยทวารและในวจีทวาร เป็นอันถูกห้ามแล้วด้วยปาติโมคะสังวรศี น, นี้อินริยะสังวรศีห้ามการที่จิตหมุนเวียนไปด้วยอำนาจโลภะโทสะและโมหะในอารมมีรูปเป็นต้นที่มาประจวบเข้าทางทวารมีจักขุทวารเป็นต้นแล้วส่งเสริมอินทรีย์ทั้งหลายมีศรัทธาเป็นต้นที่เกิดจากปุสลให้เป็นไปด้วยใจที่มีสติคอยระวังรักษา กิเลสที่กลุ่มรุมในโมโนทวารย่อมถูกห้ามด้วยอินริยะสังวรศีนนั้นอาชีวปาริสุติศีลคือกุศลธรรมทั้งหลายมีเจตนาเป็นต้นที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจการยังปัจจัยให้เกิดขึ้นโดยธรรมโดยสม่ำเสมอโดยละการสแสวงหาอันไม่เหมาะสมที่เรียกว่าอาเนสนาด้วยอาการ21อย่างเหล่านี้คือ หนึ่งการให้ไม้ไผ่สองการให้ใบไม้สามการให้ดอกไม้สี่การให้ผลไม้ห้าการให้ไม้ชาระฟันหกการให้น้ำล้างหน้าเจ็ดการให้น้ำอาบแปดการให้ผงทาตัวเกาการให้ดินถูตัวสิบการประจบสิบเอ็ดการพูดจริงบนเท็ศสิบสองเลี้ยงลูกให้เขาสิบสามรับใช้กคหัดสิบสี่ประกอบเวชกรรมก็คือทำยาให้เป็นหมอ สิบห้าเป็นทูตสิบกรับส่งข่าวให้ครืหัสิบเจ็ดให้ของหวังผลตอบแทนสิบแปดให้ของตอบแทนสิบเก้าเป็นหมอดูพื้นที่ยี่สิบเป็นหมอดูฤกษ์ยี่สิบเอ็ดเป็นหมอดูลักษณะโดยมุ่งถึงการเลี้ยงชีวิตเพราะอาชีวะเป็นเหตุจึงประจบอุบาสกทั้งหลายชื่อว่าอาชีวะปาริสุท ธ, ธิศีลรดเว้นจากสิ่งเหล่านี้นะก็จะเป็น อาชีวะบริสุทธิธ์ศีเป็นการเลี้ยงชีพอย่างบริสุทธิธ์กุรูสรนแทำทั้งหลายมีเจตนาเป็นต้นที่เกิดขึ้นแก่พิกจุผู้พิจารณาปัจจัยที่ได้มาโดยชอบรำอย่างนั้นแลบริโภคชื่อว่าปัจยานิสิตศีลพิจารณาทางชีววิทยาเสนาสนะและที่นานาปัจจัยเห็นประโยชน์ในการบริโภคมีศ า, าสตรกะสมเชญยะและสปายะสมเชญะอย่างนี้ชื่อว่าปัจยนิสิตศีล ในศีลเหล่านั้นปาติโม ค, คะสังวรศีลมีศรัทธาเป็นประธานคือศรัทธาสาธนะสำเร็จด้วยศรัทธาจึงอยู่พิกตุเมเื่อเชื่อความที่ตนมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมสัสคตายานย่อมไม่กระทำบาปหรือย่อมไม่ล่วงละเมิดศิขาบทที่พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงบัญญัติไว้เพราะศรัทธาในพระผู้มีพระภาคเจ้าปาติโม ค, คสังวรนั้นย่อมบริสุทธ ด้วยการที่พิจุไม่ต้องอาบัตโดยประการทั้งปวงหรือด้วยการอยู่กรรมด้วยการแสดงและด้วยการบอกอันนี้เรียกว่าเทศนาสุทธิปาติโมคขาสังวาราศีนี้เป็นเทศนาสุทธิบริสุทธิ์ได้ด้วยการแสดงนะถ้าต้องอาบัตไม่อย่างนั้นก็ไม่ต้องอาบัตก็เป็นผู้ที่บริสุทธิ์อยู่แล้วแต่ถ้าต้องอาบัตก็ทาให้บริสุทธิ์ได้ด้วยการแสดงแล้วก็สาเร็จด้วยศรัทธาศรัทธาสาธนะ อินเดียสังวรศีนมีสติเป็นประธานอินเดิยสังวรศีนั้นย่อมบริสุทธิ์ได้เพราะกิเลสทั้งหลายไม่เกิดขึ้นโดยประการทั้งปวงหรือด้วยการข่มกิเลสทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วด้วยการระลึกถึงพระโอวาทหรือด้วยกำลังแห่งกรรมฐานอินเริยสังวรศีนั้นย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยตั้งสติแล้วอธิษฐานจิตว่าเราจะไม่กระทำอย่างนี้อีก อินเดริสังว น, นี้เป็นสติสาธนะก็คือสำเร็จด้วยสติแล้วก็บริสุทธิ์ได้ด้วยการอธิษฐานนะอธิษฐานก็คืออห้ฐานว่าเราจะไม่ทำอย่างนี้อีกตั้งใจไว้อธิษฐานสุธิจึงอยู่อาชีวะปริสุทธิสีนของพิษุผู้มีความเพียรย่อมบริสุทธิ์เป็น วิริยะสาธนะอาชีวประลิสุทธิศีนิสสำเร็จด้วยวิริยะแล้วก็เป็นปริเยสนาสุทธิบริสุทธิ์ได้ด้วยการแสวงหาโดยชอบธรรมปัจจะยสันนิสิตศีลขอพิสุผู้มีปัญญาย่อมบริสุทธิ์เป็นปัญญาสาธนะสำรับการพิจารณาปัจจะสี่นิสสำเร็จด้วยปัญญาแล้วก็เป็นปัจจเวคณะสุทธิบริสุทธิ์ได้ด้วยการพิจารณานะ ถาพิจารณาทําให้บริสุทธิ์แล้วก็จะบริสุทธิ์ได้ดีสําเร็จได้จริงๆก็คือต้องมีปัญญาถ้าสาธยายว่าปฏิสั่งข้าโยนิโซปินลปาตังปฏิเสวามิแต่ว่าก็สาธยายไใปใเฉยๆไม่ได้มีปัญญาในการรู้ว่าการชันบินบาบหรือว่าการบริโภคขมนุ่งหม่มจีวรเข้าอาศัยอยู่ในเนสนาธนะบริโภคยาเภสัชต่างๆประโยชน์คืออะไรไม่มีสัมพันญะในการพิจารณารู้ความจริงขณะนั้นก็ไม่สําเร็จ ก็ไม่สำเร็จเพราะว่าเป็นปัญญาสาธนรณะสำเร็จด้วยปัญญานะเพราะเหตุนั้นพระพุทธรกิตาจารย์จึงกล่าวว่าสรีเลนะสุทินดริโยเป็นผู้มีอินทรีย์บริสุทธิ์ด้วยศีลแล้วก็ทําให้เมื่อจะตุปริสุทธิ์ที่ศีลรักษาไว้ดีงามก็จะทําให้อินทรีย์ห้าเจริญนอกงานไปด้วยในคาถา น, านั้นมีเนื้อความที่ประมวลไว้ดังนี้ กุลบุตรคนใดเกิดแล้วในขณะที่เก้าอันเว้นจากขณะทั้งแปดคือในขณะแห่งการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้ากุลบุตรคนนั้นเป็นผู้มีสุตตะมากเพราะฉะนั้นก็ต้องสั่งสมสุตตะคือศึกษาทรงจําให้มากเป็นผู้มีอินทรีย์ที่กระทําให้บริสุทธิ์แล้วด้วยปาริสุทธิสินสี่เมื่อมีสุตตะดีแล้วก็รักษาศีลให้บริบูรณ์ทั้งสี่เลย อธิบายว่ากุล บ, บุตรคนนั้นย่อมเป็นผู้สมควรเพื่อเจริญพุทธานุสติน้อมนํามาศีลอันเป็นฐานที่ดีสมมติทิที่ตรงดีแล้วก็น้อมนํามาในการที่จะศึกษาพราะธรรมคําสอนโดยเฉพาะคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็น้อมมาเจริญพุทธานุสติเพื่อเป็นไปในสมถะแล้วก็วิปัสสนาด้วยในคาถานั้นที่ชื่อว่าขณะแปดได้แก่ขณะแปดเหล่านี้คืออบายสาม เกิดในนรกเกิดในกําเนิดสัตว์เดริชานเกิดในเปตวิสัยแล้วก็อสัญญีสัตว์เกิดในอสัญญีภพอันนี้ก็เป็นอัคคณะปัจจันตะชนบทคือเกิดในถิ่นที่ไม่มีพุทธศาสนาปัจจันต์ชนบทอินทรียห้าบกพร่องคือมีปัญญาซามโง่เง่ า, งาเป็นคนเซ่อคนบ้าบ้าบอดนวกมิฉาติทีอย่างแรงเป็นพวกที่มีความเห็นวิปริต แล้วก็พระพุทธเจ้าผู้ทรงประธานอมตะคือพระสัตธรรมไม่เสด็จอุบัติขึ้นอันนี้ก็ขณะแปดไม่ใช่สมัยเหล่านี้พระพุทธองค์ทรงประกาศไว้แล้วแต่ว่าพวกเราก็พ้นจากขณะแปดเหล่านั้นแล้วเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงแ ส, สดงธรรมะไว้แม้ว่าพระองค์จะตรัสรู้แล้วปรินิพานประกาศพระธรรมจักและปรินิพานไปแล้วสองพอยกว่าปีก็ตามแต่ว่าก็ยังชื่อว่าเป็นขณะเป็นสมัยที่สามารถ ประพฤติธรรมจันได้เพราะว่าพระองค์ทรงมอบพระธรรมวินัยไว้ให้เป็น อ, องค์แทนพระสมมาสำ ม, มุตรเจ้าเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ก็มีพระพุทธเจ้าแปดหมื่นสี่พันพระองค์คอยสั่งสอนคอยแนะนําคอยโอวาทานุาสาวชนีเราอยู่จึงชื่อว่าเราเป็นผู้ที่มีพระศาสดาอย่างไม่ล่วงแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่สมัยมิใช่โอกาสในการที่จะกระทํากุศล ก็คือประพฤติพรหมจรรย์และแก่การอบรมไตรสิกขาหรือว่ามรรคพรหมจรรย์นั่นเองบัณฑิตพึงทราบขณะโดยความตรงข้ามจากขณะแปดนั้นการที่สัตว์พ้นจากการเกิดในอบายในอสัญญีสัตว์และปัจจันตตประเทศแล้วเป็นผู้มีอินทรีย์บริบูรณ์เกิดในปฏิรูปรเทศะคือในประเทศอันสมควรอันประดับด้วยพุทธทุ บ, บาทก็คือการเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้า แล้วตั้งอยู่ในสัมมาทิฐิหาได้ยากอย่างยิ่งการที่จะตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิหาได้ยากนั้นพึงทราบด้วยกาณกัจฉโปปมัสูตรคือพระสูตรที่อุปมาด้วยเต่าตาบอดก็ในพระสูตรนั้นก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงแสดงทําให้พิกษุรทั้งหลายฟังว่าด้วยเรื่องของคนพานมีลักษณะชอบคิดแต่เรื่องชั่ว ชอบพูดแต่เรื่องชั่วชอบทำแต่เรื่องชั่วการกระทำชั่วต่างๆหลังจากตายแล้วก็ไปเกิดในอบายทุคติวินิบาดนรกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้แสนยาก็กลับถึงเต่าตาบอดที่อยู่ในมหาสมุทรร้อยปีจึงจะโผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่งมีคนโยนแอกมีรูเดียวลงไปถูกลมทางทิศตะวันออกพัดไปทางทิศตะวันตกลมทิศตะวันตกก็พัดไปทางทิศตะวันออกลมทางทิศเหนือก็พัดไปทางทิศใต้ ลมตางทิศใต้ก็พัดไปทางทิศเหนือร้อยปีเต่าตาบอดโผล่ขึ้นมาครั้งหนึ่งการที่เต่าจะสอดหัวเข้าไปในรูแอกที่ถูกลมพัดไปทิศโน้นทิศนี้นั้นเป็นไปได้ยากแต่นานๆหลายร้อยปีมันจะสอดหัวเข้าไปได้บ้างการที่เต่าบังเอิญสอดหัวเข้าไปในรูแอกได้นั้นยังเร็วกว่าการที่คนพานตกไปตู่มินิบาศครั้งหนึ่งแล้วจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็เป็นสิ่งที่นอนแสนนานมาก การที่บุคคลผู้เป็นสัมมาทิฏฐิจะได้เล่าเรียนธรรมแล้วเป็นพระหูสูตรหาได้ยากการที่บุคคลผู้เป็นพระหูสูตรจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก็หาได้ยากการที่บุคคลผู้มีศีลบริสุทธิ์จะฝึกอินทรีหกก็หาได้ยากยิ่งสมดังที่ท่านกล่าวว่าพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกการจะได้ฟังพระสัจธรรมก็หาได้ยากในโลกพระสงฆ์เป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลก สัตบุษรทั้งหลายเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งการที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเรื่องยากการเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องยากความถึงพร้อมแห่งขณะก็เป็นเรื่องยากพระสัตธ์ทมหาได้ยากอย่างยิ่งของเรานี้ก็ได้ถึงที่ยากๆหลายอย่างหลายประการแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เป็นผู้ที่ไม่ควรจะประมาทจริงอยู่การท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏนี้ยาวนานยิ่ง ตวามที่การท่องเที่ยวไปในสังสารวัตรยาวนานนั้นพึงทราบด้วยอนะมะตักคะปริยายก็คือสังสารวัตที่มีเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายที่สุดนะเบื้องต้นนี้ไม่ต้องนับเลยไม่ต้องคิดถึงเลยใครตามไปอยู่ก็รู้ไม่ได้ในสังสารวัตรอันกําหนดเบื้องต้นและที่สุดไม่ได้อย่างนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้บำเพ็ญบารมีสิ้นสี่อตสงไขหนึ่งแสนกับ หรือ8อสงไขยหรือ16อสงไขยแล้วบรรลุความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเครื่องสัตว์ทั้งหลายประมาณ8 4อสงไขยออกจากเครื่องผูกของมารแล้วป ร, รินิพานเพราะไม่ยึดมั่นพ้นทางที่จะคณนานาหมายถึงตัวหมายถึงพระพุทธเจ้าไม่รู้กี่องค์กี่แสนองค์กี่ล้านองค์เท่ า, มาเมล็ดทรายในแม่น้ำคงคาตัดสรู้แล้วก็พาสัดขนสั์นับไม่ถ้วนวได้ตัสรูปปรร้เป็นินิพานโดหมดแล้ว ตัวท่านมิได้เข้าอยู่ในระหว่างพระพุทธเจ้าพระประเจกพุทธเจ้าและพระสาวกของพระพุทธเจ้าประมาณเท่านี้แม้ในวันนี้ท่านก็ยังจมลงในห่วงแห่งสังสารวัฏบัดนี้ท่านได้ความถึงพร้อมแห่งขณะอย่างนี้แล้วก็ยังประมาทถ้าท่านยังประมาทอยู่แล้วเมื่อไหร่จึงจะมีความประชุมพร้อมอย่างนี้อีกดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดังนี้ว่า ที่สุดทั้งหลายกิจใดที่ศาสดาผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลผู้อนุเคราะห์หวังจะอนุเคราะห์พึงกระทาแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นเราได้กระทำแล้วแก่เธอทั้งหลายที่สุดทั้งหลายนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเส่งพินิษย่าประมาทอย่าได้เป็นผู้เดือดร้อนใจในภายหลังนี้เป็นคำพร่มสอนของเราสาหรับเธอทั้งหลาย พระพุทธเจ้ า, จาสาวกของพระพุทธเจา้าตรัสรู้ไปนับไม่ถ้วนแล้วนะแต่ว่าเราก็ยังคงอยู่อย่างนี้เจ้ายังเป็นผู้จมลงอยู่ในห่วงแห่งสังสารวัฏแห่งโอคะอันกว้างและลึกลน้นเวียนว่ายไปไม่พ้นจากห่วงทุกนี้เหตุไหนจึงยังประมาทอยู่เล่าอุบาสกอุบาสิกาและสมณทั้งหลาย คำว่าสังสารังพยโตเห็นสังสาระโดยความเป็นภัยคือเห็นความเป็นไปสืบต่อแห่งขันที่ท่านกล่าวไว้ว่าความที่ขันธาตุอายตนะเป็นไปตามลำดับไม่ขาดสายท่านเรียกว่าสังสาระโดยความเป็นภัยเห็นสังสาระโดยความเป็นภัยตามในที่กล่าวไว้ในพยาตุปัฏฐ า, านนาิยาณกถาเป็นต้นอย่างนี้ว่า ที่ตั้งเห็นความสังเวทนี้มีแปดอย่างคือชาติความเกิดชราความแก่พยาธิความเจ็บไข้จุติความตายทุกขในอบายวัตถุทุกในอดีวะตวัตถุทุกในอนาคตทุกแห่งการแสวงหาอาหารในปัจจุบันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรน้อมนํามาพิจรารณาบ่อยๆเป็นสังเวทวัตถุที่เป็นเหตุให้ปรารความเพียร ในคำว่าภาวัคคยกรังดิสวาสิวังเขมโตเห็นพระนิพพานที่กระทําความสิน้นภพอันเป็นที่ปลอดภัยโวยความกเกษมนี้ภพมีสองคือกรรมภพและอุปัติภพในภพสองนั้นกรรมภพคือเจตนาที่เป็นกุศลและที่เป็นอกุศลยี่สิบเก้าดวงก็ได้แก่เจตนาที่เกิดกับกาโมจงกุศลแปดดวง รูเป่าจังกุศลห้าดวงสองอย่างนี้เรียกว่าเป็นปุญญาภิสังขารสิบสามประเภทสิบสามดวงแล้วก็อกุศลเจตนาสิบสองดวงแล้วก็อะรูเป่าจังกุศลเจตนาอีกสี่ดวงอะไออะรูอะรูเป่าจังกุศลเจตนาสี่ดวงนี้เรียกว่าอาเนชาวิสังขารอากุศลเจตนาสิบสองดวงเรียกว่าอะปุญญาพิสังขารรวมยี่สิบเก้าดวงนี้ เป็นกรรมภพเป็นอภิสังขารสามและธรรมที่สามยุทธกับเจตนาส่วนวิบากขันธ์ที่กรรมภพนั้นนําให้บังเกิดจัดเป็นอุปติภพก็คือวิบากขันธ์นามขันธ์และกรรมชรูปแต่ในที่นี้ประสงค์กรรมภพเมื่อกรรมภพสิ้นแล้ววิบากภพนั้นซึ่งรู้กันว่าเป็นสังสาระย่อมสิ้นไปเองวิบากภพหรือว่า อุปปฏิภบนั่นก็คือขันห้าขันสี่ขันหนึ่งนั่นเองในการใดกุลบุตรนั้นสำเร็จเป็นพระอรหันต์สิ้นอาสวะทรงไว้ซึ่งอัตภาพสุดท้ายบรรลุความสิน้นภพเพราะยืนบนแผ่นดินคือศีลด้วยเท้าคืออิธิบาสีใช้มือคือศรัทธาํำดาบคือมัคคยานที่กระทําความสิ้นกรรมมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ที่รับดีแล้วบนศิลาคือสมาธิ ตัดทีกรรมทั้งหลายแห่งกงสังสารวัตรเพราะเหตุนั้นพระพุทธรักษิตาจารย์จึงกล่าวาว่าภวัคคยากรังดิสวาสิวังเขมะโตเห็นพระนิพพานที่กระทำความสิน้นภพอันเป็นที่ปลอดภัยโดยความกเกษมอธิบายว่าเห็นพระนิพพานที่กระทำความพินาศแห่งภพตามที่กล่าวอันเป็นที่ปลอดภัยโดยความกเกษมคือโดยไม่มีภัย คำว่าตังนั้นเป็นบาทคาถาว่าตังสัมตาดะกะมัคคะเดสกะมุนิงสัมปูชยันโตตะโตบูชาอยู่โดยชอบซึ่งพระมุนีผู้แสดงหนทางที่นำผู้ปฏิบัติไปถึงพระนิพานนั้นตามเหตุที่แสดงหนทางไว้นั้นคือพระนิพานนั้นที่กระทำความสิ้นพบคำว่าสัมตาดกัง ที่นำผู้ปฏิบัติไปถึงคือพาไปให้ถึงบคําว่ามัคคังหนทางคือหนทางแห่งโล ก, กุตระกับวิปัสนามีคําที่ท่านกล่าวอธิบายไว้ดังนี้ว่าซึ่งพระมุนีคือพระพุทธเจ้าผู้แสดงหนทางก็ได้แก่อริยมรรคหนงแปดที่นำผู้ปฏิบัติให้ถึงพระนิพพานนั้นพร้อมปฏิปทาอันเป็นส่วนเบื้องต้นก็ได้แก่ไตรสิกขาก็คืออธิศีอธิจิตและอธิปัญญานั่นเอง คำว่าสามปูชยันโตตัะโตบูชาอยู่โดยชอบตามเหตุที่แสดงหนทางไว้นั้นอธิบายว่าบูชาอยู่ซึ่งพระมุนีคือพระพุทธเจ้าตามเหตุที่แสดงหนทางนั้นโดยชอบคือโดยเคารพเป็นผู้มีความเอื้อเฟื้อด้วยอามิสบูชาและด้วยปฏิบัติบูบชาได้แก่กระทําวิธีตามที่กล่าวนั้นบูชาโดยไม่เหลือไว้แม้ชีวิต ถ้าจะไปปฏิธรรมให้สมควรกับธรรมเพื่อบรรลุโลกุตระ ธ, ธรรมเพื่อพันิพันธ์จริงก็ต้องสละชีวิตคือไม่อาไรในร่างกายและชีวิตมีตนอันส่งไปแล้วปหิปัตโตนะคำว่าพุทธานุสติภาวนาดิกรมะโตตามลำดับแห่งการเจริญพุทธานุสติเป็นต้นอธิบายว่าโยคาวจรกุลบุตรผู้ดได้ความประชุมพร้อมแห่งคณะตามในที่กล่าวแล้วข้างต้น ชมาระศีลของตนเป็นเบื้องตน้นทำการตัดปริโภธปริโภธิก็คือความกังวลต่างๆนั่งน่อาสนะอันสงัดสำคัญประดุดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นสเสด็จมาประทับนั่งบนศีรษะของตนเจริญพุทธานุสติร้อยครั้งพันครั้งตามในที่จะกล่าวต่อไปว่าอิติปิโสภควาอระหังสัมมาสัมบุโทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิด อนุตโรโปุริสธรรมสารธิสัตธาเดวมนุสธานังมุตโตภควาติร้อยครั้งหรือพันครั้งก็ได้นะก็น้อมไปถึงคุณต่างๆโดยประการต่างๆยังอุปจารสมาธิให้เกิดขึ้นแล้วมนัสิการถึงรูปธรรมและอรูปธรรมโดยทํานอนที่เรียนมาก่อนเนืองๆด้วยอำนาจแห่งลักษณะรสก็คือกิจ ปัจุบฐานคืออาการปรากฏและปัจสถานคือเหตุกล้ให้เกิดทำการกำหนดนามรูปทำลายสกาญาติทิฐิดำเนินไปตามลำดับแห่งวิปัสนาโดยในที่ท่านกล่าวไว้ในวิสุทธิมักนั่นแหลเพราะฉะนั้นก็อาศัยพุทธานุสติเป็นฐานให้เกิดสมาธิถ้าสามารถได้อุปจารสมาธิก็ดีแต่ว่าท่งแสดงว่าอุปจารสมาธินั้นสำหรับพระอริยบุคคลแต่ ถ, ถึงแม้ว่าไม่ได้อุปจารสมาธิพอจะสงบระงับนิวรณ์ได้ ก็ควรจะน้อมไปในการที่จะพิจารณาลักษณะของธรรมะป ร, ร, ระการต่างๆโดยเฉพาะสมาธิที่เกิดขึ้นในขณะที่เจริญพุทธานุสติในขณะนั้นศรัท ธ, ธาปีติความสุขความสุขใจสมณที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเจตนาความตั้งใจในการที่จะเจริญสมาธิพัสสะเจตนาแล้วก็ธรรมะโดยประการต่างๆที่ปรากฏก็น้อมนํามาพิจารณาโดยแยกแยะใส่ใจถึงลักษณะรถปัจจุปทานแล้วก็ ปัจจุบนอาศัยรูปธรรมหราดีวัตถุเป็นที่เกิดของความคิดแล้วก็รูปร่างกายมหาพุทธะเป็นที่เกิดของหาดีวัตถุรูปร่างกายที่กระชุมด้วยสมุดฐานทั้งสี่รูปสี่สมุดฐานนี้เป็นที่ตั้งของนามธรรมที่กําลังน้อมพิจารณาพุทธานุสติอยู่ก็แยกแยะว่ารูปนั้นเป็นภาพแต่สลายเสื่อมสลายเสื่อมไปสิ้น ไ, ไปด้วยเวโรที่ปัจจัยส่วนนามธรรมทั้งหลายก็เป็นการน้อมรู้อารมณ์คุณของมัสสมาสมุทเจ้าในขณะนี้ เพราะฉะนั้นก็พิจารณาแยกแยะนามรูปเมื่อมีความชำนาญมีความเข้าใจในนามธรรมรูปธรรมดีก็รู้ว่าทั้งนามธรรมรูปธรรมไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแต่ว่ามีปัจจัยทําให้เกิดทั้งนั้นปันจจัยของนามมีอะไรบ้างปัจจัยของรูปมีอะไรบ้างก็พิจารณาปัจจัยของนามรูปถ้าสามารถเข้าใจปัจจัยของนามรูปได้อย่างดีก็สามารถที่จะรู้แล้วว่าธรรมะก็คือ น, นามธรรมรูปธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยธรรมะเหล่านี้ก็ถึงความเป็นอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ ธรรมะเหล่านี้เกิดเพราะปัจจัยดับไปเพราะสิ้นปัจจัยก็น้อมนาไปพิจารณาโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปลนาตาสามารถพิจารณาเห็นความเกิดดับได้อันนี้ก็เป็นแนวทางจากการเจริญปัญนาและสายพุทธานุติเป็นบาศวดว่าสัมปาดะเยตังสิวังยังพระนิพพานอันเป็นที่ปลอดภัยนั้นให้สําเร็จอธิบายว่าพึงยังพระนิพพานที่กระทําความสิ้นพบนั้นให้สําเร็จ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 ย่อมได้ความปลาปลื้มอิงอัฏฐะย่อมได้ความปลาปลื้มอิงธรรมะอันนี้ก็เป็นรถแห่งธรรมนะเป็นธรรมรถเป็นอัทฐ ร, รถเป็นธรรมรถย่อมได้ปราโมทที่ประกอบด้วยธรรมเมื่ออริยสาวกปราโมทคือได้ปราโมทแล้วปีติย่อมเกิดเมื่อใจมีปีติกายย่อมสงบก็คือปีติเป็นัจัยกับปัจสถ อริยสาวกมีกายสงบย่อมได้รับความสุขทั้งสุขกายและสุขใจเมื่ออริยสาวกมีความสุขจิตย่อมตั้งมั่นอริยสาวกผู้มีจิตเป็นสมาธิย่อมรู้ตามความเป็นจริงยถาภูตะญาตัศสนะรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขสมุขไทยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขานิโรธะามิหนีก็สามารถที่จะบังเกิดขึ้นหรือว่าถ้าต่ำกว่านั้นก็คือย่อมรู้ตามความเป็นจริงว่ารูปนามทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตา ส่วนคำนี้ว่าเพียกตูทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์อยู่ความกลัวก็ดีความหวาดสะดุ้งก็ดีความขนพองสยองกล้าวก็ดีจกไม่มีเลยอันนี้ก็อยู่ในพระชักขสูตรนะพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของยอดพงเป็นพระปริศต์อย่างหนึ่งป้องกันอันตรายได้นะระลึกถึงพระพุทธคุณธรรมกุลสังฆคุณและว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นอจินไตยพระธรรมของพระพุทธ ของพระพุทธเจ้าก็เป็นอาจินไตสําหรับผู้เริ่อมใสในอาจินไต ย, ย่อมมีวิบากที่เป็นอาจินไตยอย่างนี้ถ้าเริ่มใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นอาจินไตคิดเท่าไรก็คิดไม่หมดคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ย่อมจะได้รับวิบากซึ่งคิดเท่าไรก็คิดไม่หมดเหมือนกันวิบากก็เป็นอาจินไตเหมือนกันพระพุทธเจ้าตรัสด้วยอํานาจของปิกตุผู้เป็นโยคาวจรอุบาสกแม้ผู้เป็นเคราะห์เรียนการจําแนกขัน บาศกด้วยอุบาสิกาด้วยนะเรียนการจำแนกขันเป็นต้นตามกำลังปลูกฝังความเป็นกริยาณปุภูิชนสมาทานศีลห้าด้วยอำนาจนิจจศีลศีลประกอบด้วยองแปดในวันอุโบสถหรือเมื่อมีอุตสาหะก็สมาทานศีลสิบรักษาโดยเคารพละการค้าขายที่ไม่ชอบทมเสียเป็นมิจฉาวนิชาการค้าขายโกงการค้าขา ย, ขายต่างๆเหล่านี้ก็คือ การค้าขายสุราการค้าขายเนื้อการค้าขายสัตว์การค้าขายาตราอาวุธการค้าขายยาพิษและการโกงตราช่างการโกงในเครื่องตวงการทำของปลอมเป็นต้นและการแสวงหาที่ไม่เหมาะสมทางค้าขายหรือทางกติกรรมเป็นต้นพึงเป็นอยู่โดยสัมมาชีพโดยทำโดยสม่ำเสมอสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไปว่า แม้ผู้ใดเที่ยวแสวงหาอาหารเลี้ยงบุตรภรรยาเมื่อมีรายได้น้อยก็ยังให้ทานผู้นั้นชื่อว่าผู้ประพฤติ ธ, ธรรมการบูชาของคนที่บูชายันด้วยทรัพย์จำนวนร้อยจำนวนพันจำนวนแสนของคนนั้นยังไม่ถึงเสี่ยวหนึ่งของคนผู้ประพฤติเช่นนั้นคือเลี้ยงบุตรภรรยาด้วยการประพฤติ ธ, ธรรมแม้จะมีรายได้น้อยนะ จึงอยู่การถวายทานของบุคคลผู้เลี้ยงชีพสุจริตย่อมมีผลมากศีลก็มีผลมากเพราะฉะนั้นกัลยาณุทิชนผู้เป็นครหอขัดผู้มีอัธยาศัยบริสุทธิ์ลุกขึ้นแต่เช้าล้างหน้าและทำธุระส่วนตัวแล้วไปยังลานพระเจดีเป็นต้นระลึก ถ, ถึงพุทธานุสติอยู่ในใจดุจพระพุทธเจ้าทรงพระชนอยู่ในบรรดาไม้กวาดพระเจดี ดอกไม้บูชาอาหารบูชาทรายเกลียน้ำดื่มน้ำรสต้นโถของหอมและทูบเป็นต้นสิ่งใดมีก็บูชาด้วยสิ่งนั้นดุจทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าไปด้วยศีรษะกระทำประทักถินแล้วไหว้เป็นดุจใช้มือทั้งสองกอบบุญที่พระผู้มีพระภาคเจา้าทรงกระทำแล้วสิ้นการกําหนดนับได้และพระคุณของพระผู้มีพระภาคเจา้า ถือมาใส่จนเต็มหทไทยของตนกราบด้วยเบญจางค่าประดิษฐ์แล้วกลับไปบ้านรับประทานอาหารตามที่ได้แล้วไปนั่นณสถานที่สงัดระลึกถึงพระพุทธคุณทั้งหลายตามในที่กล่าวแล้วข้างตน้นยังปีติให้เกิดขึ้นแล้วเห็นแจ้งปีตินั้นแลด้วยอำนาจแห่งอนิจจะลักษณะเป็นต้นทำวิปัสนาให้ตั้งคันด้วยประการฉนี้เพราะฉะนั้นก็อาศัย อุปกรณ์ต่างๆในการที่จะบูชาพระรัตนตรัยโดยเฉพาะทำมีพระเจดีย์อยู่ใกล้ๆหรือว่าไปที่พระเจดีย์ตั้งแต่เช้าเนี่นะเตรียมไม่กว่าดอกไม้อาหารใส่เกลี่น้ำดื่มน้ำร้อต้นโพของหอมทูบเทียนต่างๆนำไปบูชาแล้วก็น้อมนึกถึงคุณของพระส ม, มัสยิเจ้าว่าพระองค์ทรงบำเพ็ญบุญกุศลมาสี่อสอ์ไขแสนกับนับไม่ถ้วน เพระฉะนั้นก็เหมือนกับว่าไปกอบบุญใช้มือทั้งสองกอบบุญของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าแบ่งของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้ามาไว้ในหัวใจของเราให้เต็มเลยนำคุณพระพุทธเจ้ามาไว้ในใจของตนเองแล้วก็กราบด้วยเบญจังครับประดิษฐ์แดดงามในสี่ทิศหรือว่าในแปดทิศกลับมาบ้านกน้อมนำคุณเหล่านั้นกลับมาด้วยแล้วก็มาน้อมระลึกถึงไปอยู่ในที่สงัดน้อมนึกถึงคุณของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าอย่างปีติให้เกิดแล้วก็ พิจารณานา ม, มธรรมที่กําลังพิจารณาพระพุทธคุณในขณะนั้นโดยเฉพาะสุขเวทนาปีติธรรมะใดๆที่สามารถเห็นชัดแจ้งในขณะนั้นได้ก็ให้รู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาอย่างนี้อันนี้ก็เป็นแนวทางในการที่จะออกจวัตตนะเมื่อกลบุตรกระทําตามวิธีที่กล่าวแล้วอย่างนี้งดเว้นจากความเมาและความประมาทสํารวมตนย่อมบรรลุพระนิพพานอันประเสริฐที่ปราศจากราคะ Maker. ซึ่งพระพุทธเจ้าและพระอนุพุทธะทั้งหลายอยู่อาศัยแล้วนั้นพันานาณากรบุตรผู้เป็นโยคาวจรในคำภีชนาลังการะที่ให้ความเพลิดเพลินแก่สาธุชนจบแล้วด้วยประการชนิก็ขอท่านได้ทัดทาในคุณของพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าในพระพุทธคุณแล้วก็หมั่นในการเจริญพุทธานุสติให้เป็นประจำแต่สาคัญก็คือว่าต้องเป็นพระหูสูตรด้วย ต้องเรียนรู้เรื่องของขันธ์ธาตุอเยตนะซึ่งเป็นวิปัสนาภูมิมารู้จักนามธรรมรูปธรรมรู้จักลักษณะลัพนาดิจิกะ อ, ะอันเป็นสภาวะเฉพาะตนของธรรมแต่ละอย่างแต่ละอย่างเพื่อที่จะได้รู้แจ้งความเข้าใจความจริงว่าเป็นอนัตตาอย่างไรแล้วก็จะได้น้อมไปในสามัญลักษณะเพื่อที่จะได้เบื่อหน่ายคลายกำหนับจากอุปาทานขันธ์หานี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้เห็นแจ้งปัจธรรมความเป็นจริงของชีวิต ก็คือรู้ว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์และธรรมะทั้งปวงเป็นอนัตตาโดยไม่เนื่อช้าด้วยเทอมสาธุสาธุสาธุ